เรื่องเรื่องต่างๆในทางโลกเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเล็กน้อยไม่มีอะไรนะควบคุมได้จัดการได้อย่างที่บอกนะทีนี้ละนันทีก <c oughs> ับการฝึกการละนันทีเนี่ยต้องทําคู่กับไม่ ก, ยกายคตาสติก็การเห็นเกิดดับถูกไหมคะอ่าฮะเพราะว่าละนันทีเนี่ยไม่ได้ทําให้จิตหลุดพ้นแต่ทําให้สมาธิตั้งมัน่นแต่ละนันทีก็กลับมาอยู่กับกายเหมือนกันก็ <c oughs> จริงๆละนันทีทําจิตให้หลุดพ้นได้เลย ถึงนิพพานได้เลยหรอใช่ใช่ถึงนิพพานได้เลยเพียงแต่มันเป็นลําดับขั้นทีละอันเดี๋ยอันไปเรื่อยๆละนันทีในอะไรเพราะว่าละนันทีมันไปใช้ได้ยันนิพพานเลยวปะถึงนิพพานก็ละนันทีในนิพพานอย่างเนี้ยพอละนันทีก็คือดับแล้วใช่คือละนันทีถ้าในครบในขันทั้งห้าบางทีคนก็ละนันทิได้ในอายตนะในส่วนของกายแค่นั้น ก็คือธาตุดินน้ำไฟลมหรือว่ารูปเสียงกินรถสัมผัสแต่ยังละนันทีในธรรมลมไม่ได้ก็ละนันทีเพิ่มขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกอย่างนี้อก็คือตอนนี้ก็คือพุ่งไปที่เป้าหมายอย่างเดียวคือนิพพานใช่ใช่อีกคำถามหนึ่งก็คือการที่โยมมีครอบครัวแล้วโยมตั้งใจที่จะไม่เจ็บไม่ถุน อ, าอสามีก็ยอมปฏิบัติตามโดยไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่อฮ แต่ก็ด้วยความรักภรรยาเกรงใจภรรยาก็ยอม uh huh. ตาม uh huh. การกระทาแบบนี้เนี่ยสามีจะได้มีส่วนแห่งบุนด้วยไหมแล้วโยมจะมีส่วนแห่งบาปในการที่ไม่ไม่ปฏิบุติหน้าที่ของภรรยาหรือเปล่าคะอ๋อก็หน้าที่ของภรรยาก็ถ้าดูหน้าที่ในทิศ6กก็ไม่ได้บกห้องอะไรนะหน้าที่ในทิศ6กก็ก็ครบนะ <c oughs> ส่วน อามีจะมีส่วนแห่งบุญก็น่าจะมีส่วนในมุทิจาจิตที่เหมือนเขายินดีในในความดีที่ทำซึ่งเป็นความดีที่ <c oughs> เป็นส่วนโลกุตล ะ, ะแต่ถ้า <c oughs> ถ้าเราจ ะ, ะยินดีพอใจในระดับของโสดาบันสกธาคามี อย่างนี้ถ้าเกิดสามีต่อรองบอกว่าสะกะทาคามีก็พอมั้งแต่ก็แล้วแล้วแต่นี้ก็แล้วแต่แต่ละคนว่าตกลงกันเองว่าใครต้องการจะก้าวไปถึง <c oughs> <c oughs> แค่ไหนแต่การได้โสดาบันกับสะกะทาคามีก็เป็นการประกันความเป็นพระหลานอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่ระยะมันจะยืดขึ้นไปนะสมมติว่า โสดาบันสมมติเราเอาโสดาบันแล้วเราก็ดูโสดาบันซึ่งมีความเข้มข้น3ระดับระดับแรกก็เกิดพบมนุษย์คลาวเดียวระดับที่2ก็กลับมาสู่สกุล2ถึง3คลาวนะระดับที่3ก็เทวดาบ้างมนุษย์บ้าง7จ็ดคลาอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราเอาคุณธรรมโสดาบันนะ แล้วพยายามให้อยู่ในหนึ่งชาติเอกพชีก็น้อยที่สุดแล้วนะทีนี้ในหนึ่งชาติเอกพชีเนี่ยก็ไม่ได้มีที่พระองค์บอกไว้ก็ก็ต้องมานั่งดูคุณสมบัติโซดาบันกันเองว่าในทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ของโซดาบันที่พระองค์แจกแจงเอาไว้เนี่ยซึ่งดูน้ำหนักแล้วมันก็ไม่ค่อยเท่ากันเราก็น่าจะ ไปทำโสดาบันในส่วนที่มีมีน้ำหนักของธรรมะที่มากอย่างเช่นการเห็นอริยญายธรรมการมีโสตาปฏยังคัตการมีสินห้าที่บริบูรณ์อย่างนี้อันนี้ก็จัดเป็น <c oughs> เนื้อหาที่เยอะอีกอันนึงในเรื่องของการ <c oughs> การละมิจฉาทิติในเรื่องของกรรมเสีย ว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลตรงตนเองบันดาลทั้งตนเองผู้อื่นหรือเกิดเกิดขึ้นมาเองลอยๆต้องรู้เหตุเกิดของกรรมว่ามาจากพัรษะความดับกรรมก็ดับที่ผัรษะแล้วการที่ไม่คิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นหรือตนเองนั่นแสดงคนนั้นเข้าใจปฏิจจสมุปบาทโดยเอัตโนมัติเลยต้องไปตรวจดูโสดาบันที่อ่า เป็นเรื่องของปุพานตานุทิฏฐิอภรันตานุทิฏฐิอันนี้น่าจะเป็นนัยยะที่ลึอกอีกเหมือนกันที่ความเห็นที่ปารบขันอันเป็นอดีตกับอนาคตนะไม่กังวลอดีตอนาคตละจิตจะคิดปรุงแต่งอนาคตไปอย่างไรก็ก็ไม่กังวลหวังได้อดีตก็หวังได้อย่างนี้ก็ถ้าเราเอาธรรมะของโสรบัน ประเภทลึกๆอย่างเนี้ยในกลุ่มโสดาบันก็คิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มของเอ็กพีีนะอย่างสงของพระพุทธเจ้ามีสี่คู่แปดบุตรอ่อก็รวมอยู่ในโสดาบันก็รวมอยู่ในนั้นด้วยใช่ใช่คะก็เท่ากับยงถ้ายงแต่ได้ท่านใดขั้นหนึ่งก็เท่ากับโยงก็เป็นสงของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแม้ว่าอยู่ในเพศฆรวาสถูกไหมค่ะเป็นเอ่อ ไม่จะเรียกว่าเป็นสงฆ์หรือเป็นเป็นสาวกเป็นสาวกเป็นอริยะอย่างโสดาบันเนี่ยคำว่าโสดาบันก็ก็เป็นกลางๆที่ใช้ได้หมดว่ า, เ, า <c oughs> เป็นอริบุคคลโสดาบันก็ใช้ได้ทั้งกับพระทั้งกับคารวะอย่างนี้เพียงแต่ใน <c oughs> มีความละเอียดอีกนิดหนึ่งในความเป็นโสดาบั น, นในเพศ ของฆราวาสกับเพศของพระก็ต่างระดับกันนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะแต่คุณธรรมก็คือเท่ากันนะคุณธรรมในจิตเนี่ยเท่ากันอ่านะแล้วการผวายข้าวน้าของขอ ง, ของอดยานอะไรเงี้ยค่ะเออไม่ได้ระบุว่าขนมถ้าเราผ่าวายขนมเนี่ยถือเป็นอาหารด้วยป่ะคะเออต้องเป๊ะคะต้องเป๊ะเปไม่อ่ะ ตรงคำว่าข้าวของผู้เจ้าเนี่ยมันจะรวมไปเรื่องของอาหารนะข้าวมันก็อยู่ในในเรื่องของอาหารนะกลุ่มของอาหารเพียงแต่ถ้าถ้ากลุ่มอาหารที่ย่อยลงไปเนี่ยผู้เจ้าก็าจะลงไปในเรื่องของปลาเนื้อนมนมเปรี้ยวอย่างนี้ที่จะมีในวินัยของพระวะ่ากลุ่มของอาหารมีอะไรบ้างน ะ, ะ <c oughs> แล้วข้าวขนมอะไรพวกนี้แกงกับก็จะอยู่ใน ในการแจกแจงที่ย่อยลงไปอันเดียวกันขอาการพระอาจารย์ครับต่อจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับในการที่ปฏิบัติมักวิธีเพื่อเข้าสู่การหลุดพ้นนะครับจะต้องฝึกพยายามฝึกสติให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะได้สามารถ สามารถเข้าจะคือจะต้องพยายามฝึกสติให้สมบูรณ์มากที่สุดเพื่อที่จะเข้าสู่ช่องว่างในที่แคบแคบให้ได้ณตรงนั้นคือต้องอาศัยการการภาคเพียรการการการฝึกฝนเพราะว่าเมื่อเมื่อรู้มกวิธีแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าเราเหมือนกับไม่ไม่ยังยังอ่อนการฝึกเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะที่จะเข้าสู่ตรงนั้นได้เมื่อเมื่อเมื่อภาวะตรงนั้นมาถึงการอ่อนการฝึกก็คือเห็นการเกิดดับไม่มากพอการเห็นการเกิดดับเนี่ยพระศาสดาเปรบเหมือนนายขมังธนูที่ซ้อมยิงหุ่นฟางยมซ้อมยิงหุ่นฟางไม่มากพอไม่นานพอไม่บ่อยพอก็จะยิงไม่แม่นนะ ยิงไม่ไกลยิงไม่ได้เร็วย่างนี้ก็เหมือนกันนะเราสร้างเหตุซ้ำอ่ะโยมเราสร้างเหตุซ้ำไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะไม่มีเหตุอื่นละวิธีเดียวคือเห็นเกิดดับซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆจนมันจะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายภาษาคือภาวะของนิพพานเนี่ยมันอยู่หน้าเรามันอยู่ ยังอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เรายังเข้าไม่ถึงเราต้องคือเราทําเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยคือมันจะมีวันหนึ่งที่เหมือนที่พระเจ้าบอกว่าเราเดินบนข้าวสารเดินไปเดินมามันจะต้องมีสักวันสักครั้งที่ข้าวสารตั้งขึ้นแล้วเราแล้วตําเท้าเราก็คือเราทําให้มากเจริญให้มากเดี๋ยวเราจะเห็นช่องนั้นเองมันอาจจะเป็นวันไหนช่วงไหนทุกตลอดก็ได้แม้ในเพศพระวัสก็ทําได้ใ ช, ใช่ไหมคะ การที่ไปกังวลว่าเอ๊ยยังไม่ถึงสักทียังไม่ได้สักทีตัวเนี้จะเป็นตัวขวางนะเหมือนกับพระอนุรุธทธะที่ตัวเนี้เป็นตัวขวางนะซึ่งภาษาเรียวก็จะ <c oughs> เรียกว่ากุกุจจะนะเป็นความกังวลเป็นเอ๊ะทำไมไม่ถึงสักทีอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> กุฏทัตจักก็คือฟุ้งซ้างนะกุกุจจะก็กังวลนะอ่า ฟุ้งซ่านในทีน่นี้ฟุ้งดีคือขยันปรารบความเพียรเกินไปนิดหนึ่งก็ยากอยากที่จะหลุดพ้นนั่นคือเราต้องกลับมาทำปฏิปทาสม่าเสมอนะเดินปฏิปทาให้สม่าเสมอเหมือนเดิมอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆนะไอ้ตรงปฏิปทาสม่าเสมอเนี่ยยากนะ <c oughs> คนก็มักจะขยันเกิน เดี๋ยวก็ยอ่อยอนอีกแล้วเดี๋ยวก็เล่งความเพียรขยันอีกแล้วก็เล่งไปก็เบื่อยอนอีกแล้วนี่ไม่ปกติสักทีแต่ลดความเพียรไม่ไม่สม่ำเสมอก็ทําเหมือนกับว่าเราหายใจตั้งแต่เราเกิดมาทําะไรก็ทํางนั้นใช่ไหมคะเพียงแต่ให้เราไปกําหนดรู้ว่าเราก็เก <c oughs> ิดมาเราก็หายใจมันก <c oughs> ็เป <c oughs> ็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเพียงแต่เราแค่ปรับจิตให้มันไปรับรู้การลงหายใจเพราะเราก็รู้จักลงหายใจตั้งแต่เราเกิด ใช่ไทีนี้เรื่องหยิบแบงค์พันอาจารย์ตอนแรกโยมโยมมาคิดว่าคนคนหนึ่งที่หยิบแต่แบงค์พันเลือกจะหยิบแต่แบงค์พันอกับอีกคนหนึ่งที่เอาทุกอย่างพันก็เอาห้าสิบตังค์ห้าห้าร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งโยมก็คิดว่าเออเอาทุกอย่างมันก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าพระเจ้าบอกให้ชกช่วยในกุศลธรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็ได้ทุกอย่าง แต่โยมก็มาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าก็คือว่าสมมุติว่าโยมยังมีลมหายใจเหลืออีกแสนครั้งอุปมาว่าเป็นการหยิบเงินในแสนครั้งที่โยมมีโอกาสจะเอื้อมมือไปหยิบเนี่ยโยมจะหยิบอะไรโยมจะเลือกที่จะหยิบพันธันหนึ่งทั้งแสนครั้ง เ, เป็นอย่างหลังใช่ไหมคะเพราะชีพมันเหลือน้อยไงถ้าละเามอไปทําอย่างอื่นที่มันอันนี้ส่งน้อยหรือส่งผลให้น้อยเนี่ย มันก็จะเสียเวลาแล้วก็การเวลามันก็ล่วงเลยไปแต่ถ้านะขณะนั้นเหตุปัจจัยมันเป็นเหตุเผชิญหน้าอย่างเนี้ยทำแล้วก็ทำแล้วก็จับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหมดก็ตามเหตุน่ะนะขอการพระอาจารย์ถามถามอีกเรื่องนึ่งครับเรื่องมรรควิธีคือสมัยก่อนเนี่ยก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาเรื่อยว่า การภาวนาต้องมีการบริกรรมอะไรต่างๆนานาหลังจากที่ได้ศึกษาพุทธวจนะขององค์กเดชพระธรรมาภิจจ้าแล้วเนี่ยก็ใช้วิธีเดินตามมาวิธีที่ท่านที่ท่านวางไว้คือไม่มีคำไม่มีไม่มีคาบริกรรมอ่ า, าทีนี้เมื่อเมื่ อ, เ, อ, อเข้าสู่ทำกายสังขารให้ระงับกายก็ ร, รัรงรับจิตก็ระงับ ลมหายใจก็ระ ง, งับจนจนแทบจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมระ ง, งับมากระ ง, งับนิดเดียวเท่นี้นะักขณะนั้นเนี่ย <c oughs> เราพิจารณาถึงเอาจิตเนี่ยเข้าไปเข้าไปพิจารณาถึงกายเข้าไปพิจารณาถึงเวทนาเข้าพิจารณาถึงจิตตัสังขารเข้าไปพิจารณ า, า, าถึงธรรมอืก็คือสีประธานสี เมื่อเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เราเห็นว่ามันมันมันมันพอธรรมานุปัสสนามันไม่เที่ยงแล้วก็เอาจิตเนี่ยกลับมาที่กายห <c oughs> มารู้ลมแล้วพิจารณาอยู่ที่กายอย่างเดียวด้วยความที่ที่ลูกมันยังอยู่นะฮะ <c oughs> ก็คืออย่างนี้เนี่ยมาพิธีนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> อยากจะขอาการาบพระอาจารย์ ว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วหรือไม่ครับได้ก็ทําอย่างนี้แหละ <c oughs> ตังนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราจะมาตรวจมรรควิธีของเรากับคําสอนพระคาถาคตเนี่ยเอ้พระตาถาคตตัดไปรหรือเปล่าประเพณกรรมไม่มีเราก็วางไปอานาปามีไอม้มีแล้วท่านทำให้ทํำยังไงเราก็ทำตามตามตรวจมาทั้งหมดการเดินของเราตรงกับผู้เจ้าหมดเลยก็ไม่ต้องลังเล ส, สงสัยละ ใช่ไหมพเพราะเรตรวจกับใครเราตรวจกับของพระาศาสดาใช่ไหมอ่าแต่ถ้าตรวจแล้วไปตรงกับของคนอื่นนี่ยังไม่แน่ต้องออกกลับมาตรวจกับพระาศาสดาอีกทีนะคือที่ถามนี่ก็คือก็คือจะถามพิการว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยวางจิตอยู่กับกายเนี่ยอเพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้ในมุมมองของของกายที่ที่สามารถพลิกไปทั้งทั้งสี่มุม เมื่ออยู่กับกายเม it ื่อรู Actually, <t ani> <t ani> <t ani ้ลมอย่างเดียวสามารถพลิกไปได้ทั้งสี่มุมทั้งกายาทั้งเวทนาทั้งจิตตาทั้งธรรมะแล้วเสร็จแล้วแล้วก็อยู่กับกายไว้มีสติอยู่กับกายไว้แค่นั้นพอแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวันที่รูปมันพังเนี่ยถ้าหากว่าเราเราไม่ไปไปเหลือไอ้สามขันที่เหลือเนี่ยออืขณะนั้นเนี่ยสติย่อมบริบูรณ์ใช่แล้วก็สามารถจะเข้าสู่ในช่องว่างในที่ขรุขระได้ใช่โดยอัตโนมัติเลย ครูเจ้าจึงบอกกายยักขตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมเนี่ยอมัตต์ชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมแค่เราไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายเนี่ยเราได้อมตะแน่นอนอคราจารย์คะรอบการที่เวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีแต่คําพูดพระพุทธเจ้าผุดขึ้นมาตลอดเลยว่าเราจะทำอะไเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกอย่าประมาทเราขับรถอยู่พระพุทธเจ้ามันผุดขึ้นมาเองอย่าประมาทเราทานธรนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ท้องพอกเล็กน้อยอา้าวเราไม่เติม เราจะทำวันนี้พระพุทธเจ้าให้สํารวมองิงศีทำมีศีสังวรคือทุกๆอย่างที่ทําในแต่ละภัรษาที่กระทบเนี่ยเราดึงว่าวิธีที่เราสะสมเนี่ยมันเหมือนมันผุดขึ้นมาเองตลอดเวลาว่าพระพุทธเจ้าท้ามตรงนีงนั้นอันนี้มันเป็นความคิดหรือเปล่าคะก็เป็นความคิดน่ยมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะถึงแม้จะเป็นคําคสอนพระศ า, าสดาก็ตามแต่ในพอเป็นความละเอียดขึ้นไปแล้วเนี่ย สิ่งนี้ต้องต้องทิ้งหมดนะเพราะมันเป็นการสร้างภพ <c oughs> พอทำไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยสัญญาพบนี้ก็ต้องต้องวางพยายามวาง <c oughs> วางการสร้างภพตรงนี้ลงไปอีกน่น่ให้มันให้มันอยู่ปกติ <c oughs> มากที่สุดแต่แรกแรกก็ต้องอาศัยตรงนี้ก่อน สุดตาที่สั่งสมเนี่ยพระองค์จะเปรียบเหมือนอาวุธที่เราจะเอามาประหารกิเลสดังนั้นเราก็ต้องหยิบอาวุธขึ้นมาให้ใช้ให้เหมาะสมขออกาสครับคำถามนี้เป็นเป็นเรื่องของการฝากถามว่า ในส่วนของอิทธิปฏิหารซึ่งพระเจ้าเนี่ยท่านท่านท่านบอกว่าท่านขยักขยันเกียรติชังเกี่ยวกับอิทธิปฏิหารแล้วก็ในมุมมองของพระโมคคัลลานะที่ที่เลือดทางฤทธิ์เนี่ยครับท่านท่านมีม ม, มองอยังไงครับอันนี้เป็นคําถามที่ฝากถามมากครับ เ, เลือทางเลือทางฤทธิ์ก็เลือทางฤทธิ์เลือทางฤทธิ์ท่านก็ใช้ ใช้ของท่าน <c oughs> เวลาจะใช้ใช้ฤทธิ์มาแก้ปัญหาผู้เจ้าให้ใช้ไหม <c oughs> ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลักธรรมผู้เจ้าจะไม่ไม่ให้ใช้เหมือนคราวเกิดทุกภิกภัยพระโมคคานะบอกจะเอามือพลิกแผ่นดินมาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ใต้แผ่นดินมีอาหารมีง้นดินที่ สามารถใช้เป็นอาหารให้กับพิสูจน์ได้นะผู้เจ้าก็ไม่อนุญาตน ะ, ะหรือว่าพระระหันที่ <c oughs> มีเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทสสรงทราบจะให้ผู้เจ้าใช้ยานอย่างรู้เนี่ยจัดการผู้เจ้าก็ไม่อนุญาตต้องพูดมาน ะ, ะก็จะมีหลายๆกรณีอย่างเนี้ยนะ แม้แต่พระหลานที่ใช้ฤทธิ์ไปในทางที่ไม่เหมาะสมก็จะเรียกประชุมส่งแล้วก็ตำหนินแล้วก็บัญญัติวินัยอย่างนี้ <c oughs> มันเป็นความรู้อย่างหนึ่งในทางโลกแต่ไม่ได้เป็นความรู้เพื่อการหลุดพ้นไงแต่ก็เป็นความรู้ที่คนทั่วไปทำได้ยากทำไม่คยได้นะซึ่งพระศาสดาจะใช้เฉพาะบางกรณีเพราะพระองค์เนี่ยรู้ อินทรีย์ของแต่ละคนว่ากุลบุตรบางคนเนี่ยจะมีศรัทธาเพราะเหตุนี้พระองค์ถึงใช้พ <c oughs> ระองค์บอกลงไม่ได้ใช้เพื่อล่อลวงมหาชน <c oughs> แต่เนื่องจากสาวกเนี่ยไม่มีไม่มีความสามารถตรงนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในทศพลยานของพระตถาคตอย่างเงี้ยญาณในการกําหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลดังนั้นผู้เจ้าก็เลยบอกสาวกไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่า พระอาจครย์ะแล้วตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยถ้าเทียบกับยุคพระศีระยะเมตไตรที่ ท, ที่ที่จะมาเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ถึงขนาดที่จะมือถือสัตว์ตาุฒฆ่ากันในเหมือนในยุคที่พระศีระยะเมตไตรจะมาประสูติจะ ซึ่งมันหมายความว่าเราเราเนี่ยถ้าถ้าจากยุคนี้ไปต่อไปจะเจอฟาสิรยยะไม่ตายแล้วเนี่ยก็คือเราเนี่ยกำลังเดินไปสู่ความเสื่อมแบบถดถอยสุดๆแล้วอจนมนุษย์จะอายุถึงไม่สิบปีก็คือเราเนี่ยมาใกล้ใกล้สุดท้ายแล้วที่จะเกิดศาสนาใหม่แล้วไม่ไม่หรือเปล่าไม่ไม่ใช่คือแบบนี้ยุคใหม่ใกล้ยุคใกล้ยุคผู้เจ้าองค์ต่อไปแต่ไม่ได้ใกล้ยุคพผู้เจ้าองค์ใหม่เลย อีกไกลมากเลยเพราะว่าจากสิบปี <c oughs> จาก1 0อปีจะลงไปเหลือมนุษย์อายุ10ปีจาก10ปีต้องตีขึ้นไป 80,000 ปีผู้เช้าองค์ใหม่ถึงจะมาอ๋อต้องตีขึ้นไปตีขึ้นไปครบ8 0,000 ืนึกว่าพอถึง10บแล้วมาเลยไม่มามาตัดสรุมเมื่ออายุมนุษย์มีอายุขายจนถึง 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> แล้วไม่ต่ำกว่า9ก้อดกับ แล้วแล้วถ้าถ้าจากสิปีปุ๊บเนี่ยพอมนุษย์ออกมาจากฝาแล้วเนี่ย uh huh. มนุษย์จะอยู่กันแบบรักษาศีลบ้างไม่รักษาศีลบ้างจ น, จนจนมันขึ้นไปเหรอคะใช่พัฒนาขึ้นเป็นขาขึ้นละเริ่มฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาคิดเองคือเขาไม่ไม่มีศาทนนาหรือไม่เหลือแล้วเขาาจะใช้หลักหลักอะไรในการดําเนินชีวิตนะคะก็ความดีศีลธรรมทั่วๆไปอ๋อคือคิดได้เองอ่าเริ่มจากกุลเชษฐาปจายานธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำ ซึ่งจะหมดไปในยุคมนุษย์อายุ10ปีไม่มีละคำว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ไม่มีการเคารพกันทุกคนก็เสมอกันหมดเลยอย่างนี้เพราะนั้น 80,000 ปีลงมาเหลือ100ปีเนี่ยกกลับจาก100ปีลงไปเหลือ10ปีไม่รู้ไม่ได้พยากรณ์ไว้ซึ่งก็ผ่านมา2000กว่าปีแล้วยังไม่รู้ว่าอีก กี่พันปีจะลงไปเหลือ10ปีจาก10ปีแล้วต้องตีกลับขึ้นไป 80,000 อีก8ป0 0 0ปีครั้งหนึ่งถ้าเอาเกณฑ์ร้อยมาตัดก็เท่ากับ9กกลับตัวนี้บวกกับพัฒนาจากา10ปีขึ้นไป100ปีแล้วก็100ปีลงมา10ปีรวมแล้วเนี่ยห่วงเวลา3ท่อนเนี่ยจะเป็นกี่กลับใช่ ผู้เจ้านำว่าเมตยะถึงจะมาแ <c oughs> ต่สรูแล้วกับ1ก็โอ้โหยาวนานขนาดไหนภูเขาหินแท่งทึบใช่ไหมยาว16กกโลกว้าง16กกโลสูง16กกิโลร้อปีบุตรเอาผ้ามารูปทีนึ่งทําอย่างนี้ไปทุกร0อปีจนภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยลาบเรียบเนี่ยยังไม่ถึงกับเลยเฉียดเฉียดกับนะแต่นี่เก้าสิกับนะบวกกับตรงนี้อีกนิดหนึงบวกกับตรงนี้อีกนิดหนึ่ ง, กก ง, งที่ไม่ได้พยากรณไว้ก็นานมาก <c oughs> แล้วในในเร็วๆนี้ที่มีข่าวว่าคุณหมอท่านหนึ่งออคือเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าตามข่าวที่ออกคือเหมือนว่าท่านให้ยาคุณแม่รั้ประทานในสิ่งที่คุณแม่ไม่ได้เป็นโรคมาตลอด1ิปออีจากเนื้อข่าวนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยพอครบ1ิบปีเนี่ยท่านก็มีอาการต่างๆจากยาที่ทานไปแล้วแต่ว่าทุนแม่ปัจจุบันยังไม่ได้เสียชีวิต แล้วพอครบสิบปีคุณหมอท่านนี้ก็ไปเหมือนแค่ว่าทำไปทําเรื่องว่าเป็นผู้ดูแลคุณแม่อะไรต่างๆในการในการทํารักษา this แม้ว่าถ้าเป็นจริงแม้ว่าคุณแม่ยังไม่เสียชีวิตจะเข้าข่ายอนันตริยกรรมหรือเปล่าคะเขาให้ยานี่เขาเจตนาอะไรรักษาแม่หรือไม่ ไ, <ด>ไม่<ะ>ค่ะคือเขาบอกว่าคุณแม่เป็นโรคเราหวานเป็นโรคเป็นจัดลพักเลย <c oughs> แต่ <c oughs> แล้วก็ให้ยาไปสิบปีให้ยากินกิน แต่ว่าตอนหลังพี่ชายมาเปิดเผยว่าพาคุณแม่ไปตรวจแล้วตกลงคุณแม่ไม่เป็นโรคเหล่านั้นเลยแต่มันเป็นเรื่องคล้ายๆว่าทางทรัพย์สินผลประโยชน์นะก็อยู่ที่เจตนาเขาดูเจตนาเป็นหลักนะถ้าเขามีเจตนาที่จะฆ่ามารด า, าก็เป็นอนันตเรกกรรมแม้ว่ามันดานปัจจุบันเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะ <c oughs> แต่จะมีอาการจากยานั้นแล้วเพราะว่าบริโภคมานาน คือต้องรอให้เสียชีวิตหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ก็เป็นอารันตริยกรรมแล้วจากเจตนาอ๋อต้องมีการฆ่าสำเร็จที่ดูก็คือต้องสำเร็จประโยชน์การฆ่าคือต้องเสียชีวิตไปแล้วซึ่งตอนนี้ยังเสียชีวิตถ้ายังกลับใจทันใช่ไหถ้ามาดูแลแม่ก็ยังไม่ต้องลงนรกทันทีโอเคค่ะแต่ถ้าตายไปในขณะเนี้ย เจตนาตัวนั้นมีเนี่ยเจตนาตรงนั้นสําเร็จของเจตนาแหละแล้วถ้าถ้าเขาสํานึกได้ <c oughs> แต่แม่ตายเหรอสานึกก่อนได้ก่อนได้ก่อนที่แม่ตาย <จะ S 2> แล้วมาบบขอาขามาแบบพระเจ้าชาติสตูไงเขาสำนึกได้แต่พ่อตายไปแล้วก็ต้องไปรับกรรมอยู่ดีแต่การสํานึกได้เนี่ยจะทําให้เขามีความเจริญขึ้นมาได้อีกทีหนึง่งเป็นความเจริญไหนอริวินัยที่พระเจ้าบอก หลังจากที่ชดใช้แล้วถูกไหมหลังจากที่ลงมาลบไปแล้วใช่เช่นข้างหลังกลับขอเกาศพระอาจารย์ค่ะออืเมีเรื่องเล่าจากปากพระโอษฐไหมคะเรื่องตอนประสูติที่สมเด็จพระมารดาต้องยืนอยู่ในท่ายืนและทรงเสด็จก้าเดินได้เจ็ดก้าวพร้อมที่ดอกบัวผุดอันนี้เป็นความจริงไหมคดอกบัวไม่มีเรื่องยืนมีพระเจ้าบอกมารดาโพธิสัตว์เนจะยืนคลอดแล้วก็ ผู้เจ้าเกิดมาเนี่ยจะเดินได้7จ็ก้ามีแต่เรื่องดอกบัวลองเนี่ยไม่มีผู้เจ้าบอกเท้าของพระองค์เนี่ยสัมผัส พ, พื้นดินอันสม่สมําเสมอนะดยสัมผัสด้วยฝ่าเท้าที่สม่ําเสมอแล้วมีที่มาไหมคะว่าทําไมถึงต้องมีความพิเศษตรงนี้เพราะหลายคนบอกเออที่ที่ดูเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็จะบอกว่า อ, อันนี้ก็ไม่น่าเชื่อแล้วอันอันนี้มีมีพอจะอธิบายอะไรให้เขาฟังได้ไหมคะก็จริงๆก็ธรรมดามันมีเรื่องปฏิหารอีกมากมาย อิทธิปาฏิหารย์ยิ่งอาัศาจรรย์กว่านี้เพราะตรงนี้ถ้าว่าอาัศาจรรย์ก็ยังไม่ค่อยอาัศาจรรย์เท่าไหร่เพราะว่าถ้าที่อาตมาไปดูเห็นในพวกสารคดีของฝรั่งเนี่ยว่าวัวควายที่มัน อ, อพยพฝูงในแอฟริกาอะไรอย่างเนี้มันออกลูกมาลูกมันก็เดินได้เลยใช่มแล้วก็ต้องกินนมแม่ไปตามฝูงไปเรื่อยเอยพึ่งคลอดมาปุ๊บก็เดินได้เลย ก็ยังไม่เห็นจะน้าอัศจรรย์อะไร <_ d cess> เพราะยังมีตัวอย่างของสัตว์ที่อยู่บนโลกแต่ความน่าอัศจรรย์ที่ที่มากกว่านั้นเนี่ยอย่างเช่นคนลอยไปในอากาศอย่างเนี้ยที่พุทธเจ้าบอกทําได้นะหรือเดินทะลุภูเขากําแพงไปดุจอากาศว่างๆเดิน <_ d cess> บนผิวน้ําได้เหมือนเดินบนแผ่นดินซึ่งก็เป็นคําของตาขาคตเหมือนกันอันเนี้ยมันน่าจะสงสัยมากกว่าไหม <_ d cess> หรือแม้แต่ฝนตกเป็นเลือดต่างๆนานา ท, ที่ตอนที่เสด็จกลับ บานที่ว่าต้องท่านแต่พวกท่านต้องแสดงปฏิหารให้ให้สากยาวงทั้งหลายเห็นว่านี่คื อ, น, คอนี่คือความพิเศษของพระพุทธองค์ด้วยไหมคะมีไหมคะที่ฝนฝนตกเป็นเลือดเพื่อที่จะจะให้ฝนตกเป็นเลือดยังไม่ยังไม่เคยเจอต้องขอดูอพระสูตรก่อนเนาะเพราะว่ า, าพวกท่านต้องการแสดงปฏิหาร <c oughs> เพราะว่าหลายาคนไม่นับถือท่านอาจจะเป็นสาวกพาสิทธ์ก็ได้ ยังยังไม่เคยเจอตรงนี้ค่ะแล้วนะที่พระมารดาเมยุทธอยู่ได้เพียงเจดวันก็เพียงเพราะว่าไม่สามารถมีใครมาจุติในคันได้อีกแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะไมน่นจริงไหมคะเป็นผู้เจ้าบอกอยู่แล้วว่ามารดาโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ได้ได้เจดวันก็จ ะ, ะสิ้นชีวิตและจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะขอบพระคุณค่ะส่วนที่ไปเทศโปรดเทวมารดาชั้นดาวดึงนี้ก็แต่งใหมนะ่ตักบาทเทโบะไรนีิแต่ง แต่งขึ้นก็มีหลายเรื่องต้องต้องไปเช็คในพุทธวจนะพวกนี้มันอยู่ในพระไตรปิฎกแต่มันอยู่ในส่วนที่แต่งขึ้นไม่ได้อยู่ในส่วนพุทธวจนะพระอาจารย์คะพี่ที่เขาอยู่บ้านตรงข้ามเนี่ยตอนนี้คุณพ่อเขาอยู่ในไอซเป็นโรคสมองอนิยมก็พยายามเอาซีดีเอาหนังสือไปให้เขาทําให้ลูกชายาก็เข้าใจว่าสุชาติยังไม่ได้เสพแต่ว่าเราก็เราคิดว่าพระพุทธเจ้าเลือกกาละ เป็นเป็นหลักอันดับหนึ่งเนะอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอยู่ในฐานะที่เราทำดีที่สุดแล้วนะแต่เราเราไม่ควรคือเราทำหน้าที่เราแล้วแต่เราไม่เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครอบครัวเราที่เราจะไปนะไปผักดันใช่ไหมคะโยมเอ่อมีวิธีไหนที่โยมจะทำได้ดีกว่านี้ไหมคะนะหรือว่าโยมจะไปบอกว่าพี่ขอขอสักครั้งหนึ่งฟังสองชั่วโมงหรือว่าพี่ขอเปิดสักครั้งหนึ่งนะนะถ้าพี่เห็นว่าดี แล้วพี่ลองให้คุณพ่อดูมันก็ทำได้แต่มันก็บางทีมันเป็นวิบากของเขาอ่ะแม้จะยัดเยียดคําศาสดาขอฟังสักนิดหนึ่งมันยังมีมิจฉาทิฏฐิแบบไม่เอาอย่างงน้นอย่างนี้ทั้งที่มันต้องเปิดช้อยที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันแก้ยากนะขนาดเนี่ยขอนิดนึงอ่ะนักถามคาใครแต่คาคนอื่นเนี่ย ของคนมีกิเลสเนี่ยฟังได้หมดเลยใช่ไหมแต่คําของผู้หมดกิเลสบอกไม่อยากให้ฟังก็ไปนั่งจินตนาการเอาเองทั้งนั้นนี่ก็เป็นบิบากของเขาคือคือตอนแรกให้เมื่อหลายเดือนละะอแล้ว่ะแล้วแล้วพี่พี่เขาก็พูดเหมนประมาณว่าอุ้ยคุณพ่อเขายังไม่เป็นอะไรยังไม่ขนาดนั้นแต่พอผ่านมาถึงตอนเนี้ยยมเห็นเขาเหมือนจะ <c oughs> เหมือนน้ำตาคอตลอดแล้วโยมก็ก็บอกเขาเขาก็คงนึกได้เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออเขายังไม่ได้ ไมได้เอาหนังสือซีดีให้คุณพ่อเลยเดี๋ยวรอให้แบบเดี๋ยวรอให้ให้มีจังหวะดีๆก็รอจังหวะ <c oughs> จนตายพอดีอ น, นี่มันก็รอจังหวะอยู่นั่นใช่ไหมมันติดที่ความเห็นตัวเองแค่นั้นน่ะนอง่ายเปลี่ยนความเห็นนิดเดียวอ ย, อย่างตัวอย่างโยมเอาหนังสือคารวาชนเนอร์ค่ะไปแจกที่บริษัทอตอนแรกเขาพิมพ์หนังสือที่มี คำสาวบุปลด้วยโยมก็บอกยมไม่เอาโยมก็เอาคำว่าฉันเริมไปแจกแจกเจ้านายจากอะไรก็ไม่คาดคิดว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขากลับมาบอกว่านสื่อดีมากเลยเอย๊ฝากไปทำบุญขอมาร้อยเล่มจะไปแจกโยมก็เช็ค ก, กับบุญนิธิโอเคแล้วค่ะไหไรก็จะมาทำบุญก็คิดว่าอยากให้เพื่อนยาติทำอย่าท้อถอย มีโอกาสเนี่ยเราแจกไปแจกไปเหตุปัจจัยเขาวันหนึ่งเขาต้องหยิบขึ้นมาอา่านแล้วเขาเขาเขาจะกลับมาหาเราใช่ไหมคะใช่ก็เนี่ยโปรยไปเราก็โปรยไปเรื่อยๆแจกวันดีคืนดีเพราะเรานึกแบบตัวเราเองแต่ก่อนไม่เคยหยิบหนังสือธรรมะเลยตั้งมาสามสี่ปีวันนี้หยิบมาดูสัหน่อ ย, เ, อยเข้าท่าอย่างเงี้ยที่ที่ยงดีใจก็คือเขาใช้คาพูดว่าเออเนี่ยมัน คอเขาอธิบายคุณพ่อเขาฟังว่ามันเป็นคํำพระพุทธเจ้านะที่มันอยู่ในพระไตรปิฎกอ่ะแล้วเขาเอามาทําเป็นเรื่องเล็กๆซึ่งมันอ่านง่ายอ่ะอ่านแล้วเข้าใจซึ่งยงไม่ได้พูดคําเหล่านี้ออืแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดออกมาแสดงว่าเขาต้องหยิบมาอ่านแล้วใช่ไหมคก็เราก็เห็นว่าทางเจ้านายมีมีบุญมากมีกําลังมากแล้วก็ไปทำที่อื่นมาเยอะมากเราคิดว่าเราฉกโฉโอกาสเหมือนเหมือนสมัยที่พระสัลิวดพระมคขลัะไป โมยส ง, งสารวกของพระเทวทัตกลับมาเราคิดว่าเราต้องไปชกช่วยเอาสาวกกับคืนไว้พระพุทธเจ้าเห ม, เ ม, เมือนกันใช<อ> <laughs> ่เหมือนชาวพุทธกาลังเข้าใจผิดนึกนึกว่าคําปลอมเป็นคําจริงตอนนี้มันเป็นความเข้าใจผิดอีกแบบในครั้งพุท ธ, ธกาลเนี่ยมันจะเข้าใจผิดแบบคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่คําระพุทธเจ้าเลยนะก็เป็นความเห็นกับคําพุทธเจ้า แต่เรนนี้จะเป็นความเข้าใจผิดอีกแบบหนึ่งคือคิดว่าเป็นคำผู้เจ้าเหมือนกันแต่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยอย่างโยมแม่ค่ะเขาไม่ค่อยเชื่อ uh huh. เร า, เาก็ก uh ็แอนตี้มาตลอดเลยแต่ตอน uh huh. หลังรู้สึกทั้งครอบครัวโยมแม่ในถอยละถอยเริ่มถอยเพราะว่าจาก uh huh. การปฏิบัติเราอะ uh huh. เขาเริ่มยอมรับละ uh huh. ว่าเราเราเอาจิง uh huh. แล้วเราอะไรเริดช่องหมเลยไม่ให้เขา uh huh. ว่าได้ <laughs> ทำให้มากกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงทํำกิจการงานทั่วไปนะแล้วก็โยมก็ไม่ไจะทํำยังไงให้ฟังก็ไม่ฟังให้ดูก็ไม่ดูโยมเลยอเอาหนังสือมาอาจารย์สองสเล่มใส่ ย, ยามเขากลับบ้านเขาโทรมดาเลยค่ะใส่ทําไมหนักแม่ก็ว่าทําไมวันนี้มันหนักผิดปกติหลังจากนั้นหลายๆเดือนเขาก็เริ่มพูดคําแปลกๆเช่นแบบสังขารมนุษย์ แล้วเอาคำอย่าเงี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้คิดว่ามาจากหนังสือพระอาจารย์ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วทีนี้โยงก็ไม่ท้อถอยทำไงดีก็เลยใช้วิธีเทคทุกวันตอนก่อนนอนแม่เดี๋ยนั่งสมาธินะแม่อนุโมทนาบุญนะทำทุกวันผ่านไปหลายเดือนอยู่ดีแม่มีอยู่คืนหนึ่งก็เทคไปแม่เทคกลับมา thank you โ <c oughs> ยงก็เทคกลับไปแม่นั่งสมาธินะก่อนที่จะสังขารจะไม่ไหวนะนั่งสมาธิเดินจนกรมนะแล้วคือทุกวันเนี้ย ใส่จัดเต็มนะครับก็คือใส่จะเริ่มใส่พระสูตรแล้วในในเอสเอมอรู้ว่าเขาต้องอ่านเราจะทำนี้ทุกวันคือจะขูดเกาเขาเชียนนิดๆนิดแต่รู้สึกว่าแม่ก็เริ่มเอียงๆละจะลองพยายามต่อไปก็ดีนะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้ตรงกับที่พระศาสดาบอกนะ ให้ท ร, รมะก็ถือว่าเป็นการที่บุตรนั้นตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเดี๋ยวให้ฟังพระสูทรพักษรรเนาะ <c oughs> พระสูตรนี้ก็จะมีคนกล่าวตู่พระศาสดาว่าเป็นคนหลงองค์ ก, ก็แก้ไขให้ว่าจริงๆแล้วคนหลงไม่หลงนะวัดกันที่อะไรอย่างนี้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 สัจักนิตรกแกรสัจกะนิคนนาตบุตรอาคิเวสนะที่ป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีพระโคดมผู้เจริญพระโคดมยังจำการนอนหลับกลางวันได้อยู่หรือสัจกะพูนถามอาคิเวชนะเรายังจำได้อยู่ในเดือนสุดท้ายของฤดูร้อน กลับจากอินทบาทในเวลาหลังอาหารแล้วให้ปูสังคติเป็นสี่ชั้นเรามีสติสัมปชัญญะอย่างลงสู่ความหลับโดยแต่แขงข้างขวาพระโคดมผู้เจริญข้อนี้แหละสมณะและธรมทั้งหลายบางพวกเขากล่าวว่าพระสมณะโคลมหลับเพราะการเป็นคนอยู่ด้วยความหลง อาคิเวสนะคนเราจะชื่อว่าเป็นคนหลงหรือไม่หลงเพราะเหตุเพียงเท่านี้ก็หาไม่แต่ว่าจะเป็นคนหลงหรือไม่หลงโดยเหตุใดนั้นท่านจงกําหนดในใจให้ดีเราจะกล่าวให้ฟังอาคิเวสนะอาสวะเหล่าใดที่ทําผู้นั้นให้เศร้ามองค้อมเป็นไป เพื่อความเกิดอีประกอบด้วยความทุรนทุรายมีทุกข์เป็นผลทําให้มีชาติชรามรณะอีกสื่อไปเมื่อผู้ใดละมันไม่ได้เรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นคนลงเมื่อผู้ใดละได้คาเรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นคนไม่ลงเพราะว่าจะเป็นผู้ไม่ลงได้ก็เพราะ การละอาสวะได้ขาดอาคิเวชนะอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ตถาคตลากได้ขาดแล้วถอนขึ้นได้กระทัางรากทําให้เป็นเหมือนตามไม่มีวัตถุคือหนอยอดสําหรับงอกอีกต่อไปไม่ให้มีไม่ให้เกิดได้อีกต่อไปดูดว่าต้นตาลถูกตัดที่คอแหงต้นแล้ว ไม่อาจงอกงามได้สืบไปชั้นใดก็ฉันนั้นเอว่า